เรื่องในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังงหลายแต่ลงพระโพธิญาในวันนี้จะพูดถึงที่เกิดที่ตั้งของตัณหาต่อไปเมื่อก่อนได้พูดถึงเรื่องของอยายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนต่อไปนั้นทรงแสดงที่อยายตนะภายนอกคืออะไรก็คือ รูปเสียงกลิ่นรสผดพะแล้วก็ธรรมารมทีนี้ประเด็นตรงนี้ยมัน ช, ชาชาญกับเรากับนายกเนี่ยสมมุติว่านายกนายกกับนายขอ ย, ยืนมองกันเอานายกกับ น, นางสาวขอก็ได้กันยืนมองกันรูปเสียงกลิ่นรสผดพะธรรมารมของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่กําหนัดรักใครพอใจกับอีกฝ่ายหนึ่ง ทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกองอีฝ่ายหนึ่งก็เป็นที่ละคายพอใจก็อีกฝ่ายหนึ่งและบางทีในตัวของบุคคลนั่นเองมันก็จะเกิดเป็นตัณหาขึ้นในรูปตัวเองในเสียงตัวเองในกลิ่นตัวเองในรสตัวเองในสัมผัสของตัวเองตลอดถึงในธรรมารุมของตัวเองด้วยก็นี้คุณสังเกตว่า คนบางคนเนี่ยหลงรูปตัวเองพอใจติดใจกำหนัดเพลิดเพลิอนอยู่กับรูปของตัวเองแล้วจะเป็นทุกข์เป็นร้อนกับความเปลี่ยนแปลงของรูปเพราะงั้นทั้งนี้มันก็เป็นปัจจัยของการละกันอย่างที่วังก่อนได้ยกตัวอย่างพระนางเคม า, มาเมสีพระเจ้าพิมพิสารที่พระเจ้าพิมพิสารส่งไปเฝ้า หาเรื่องนะหาห า, าวิธีที่จะให้พนางเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไว้ได้พอเข้าเฝ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบรรดาลในรูปผู้หญิงให้พนางเห็นพนางก็เกิดพอใจติดใจในรูปในเสียงที่จริงไม่มีเสียงนะมันก็ไม่ได้พูดอะไรแต่หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นน่ยเป็นอายตนาภายนอกสําหรับท่านคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพระของผู้หญิงคนนั้น ก็เป็นที่พอใจชอบใจของท่านแล้วขณะเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็พอใจติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลประภะของท่านเองตลอดถึงตาหูจมูกเลี้ยงกายใจของท่านเองครวงนี้ก็เรียกว่าอายตนาภัยในกับ อ, อายตนาภายนอกท่านควรจะสังเกตนะฮะว่าตัวนี้จะเป็นเรื่องภูเขาเลยเรื่องใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าโลกเราเป็นโลกสัมผัส ก็จะหาจุดอ่อนจุดดีจุดแข็งของมนุษย์เนี่ยก็หาจากเนี่ยตาหูจมลิ้งกายใจรูปเสียงกินรสบริศภักมันเป็นได้ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งปัญหาว่าใครจะใช้ในกรณีอะไรท่านเล่าไว้ในอัตถริยะาดกือการพูดถึงพระโพธิสัตว์ในประชา่ง ว่าได้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพหลนรีแต่ว่าเป็นพระโอรสองค์เล็กโขนทํานายว่าพระราชกุ ม, มารเนี่ยจะได้เป็นกษัตริย์แต่ว่าเป็นตกเป็นกษัตริย์ที่เมืองตักศิลาซึ่งต้องเดินทางไปรับพระราชสมบัติพระราชกุ ม, มารนั้นมีพระปุษจะไปอามาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับพระราชกุมารมาตั้งแต่เยาว์วัย ก็ต้องการจะติดตามไปด้วยแต่พระราช ก, กุมารเห็นว่าเพื่อนทั้งห้าเนี่ยมันมีจุดอ่อนคนหนึ่งเจอรูปสวยๆไม่ได้เลยคนหนึ่งเจอเสียงไผ่เราะไม่ได้ได้ยินเสียงไผ่เราะไม่ได้คนหนึ่งเจอกลีนอนหอมไม่ได้คนหนึ่งไปเจอรสอร่อยไม่ได้คนหนึ่งไปเจอสัมผัสที่หน้าสัมผัสเนี่ยไม่ได้ถึงว่ากามความเป็นจริงในเรื่องเหล่านี้นะฮะเป็นของกันและกัน พระทธเาทรงแสดงว่าพระองค์ไม่เห็นรูปเสียงกินรสผลตภอันใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงําใจบุรุษได้ยิ่งกว่ารูปเสียงกินรสผลตภของบุรุษขณะนนเดียวกันว่ารูปเสียงกินรสผลตภอันใดที่เกิดขึ้นในโลกเนี้ที่เกิดขึ้นครอบงําใจของบุรุษและตั้งอยู่นี่ไม่ไปยิ่งกว่ารูปเสียงกินรสผลตภของสตรีเพาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายคนแต่ละคน น, นนะฮะ เพียงแต่ว่าเวลาอธิบายเนี่ยมันคือเขาไม่อยากอธิบายไม่อยากอธิบายในเรื่องบางเรื่องอย่างนะฮะเช่นว่าประเด็นที่เกี่ยวกับรถเด็ยเขาพูดถึงรถอาหารเสียแล้วก็สัมผัสเนี่ยแทนที่จะพูดถึงสัมผัสทางกายเนี่ยก็จะพูดเรื่องที่นั่งที่นอนไปนะมันก็คือกันนั่นแหละมันก็เป็นพวกวัตถุ ก, กรรมด้วยกันแต่ว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนทั้งหมดอ่ะในตัวคนซึ่งหมายความว่าเอ่อเป็นที่พอใจของกันและกัน ที่ทำให้เกิดเป็นโลกเกิดเป็นสังคมเกิดเป็นสามีภรรยาเกิดเป็นคู่รักอะไรต่ออะไรกันเนี่ยมันก็กระแสมันก็เป็นอย่างนั้นเน่ยทีนี้ปัญหาบางอย่างเนี่ยพระเนี่ยไม่กล้าพูดไม่เคยกล้าอธิบายอย่างท่านทุกท่าจะสังเกตนะสีข้อกรารเมรนี่พระดำน้ําตลอดอนะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่อยากพูดไม่อยากอธิบายพูดไปมันรู้สึกมันมันค่อนข้างโป้นะก็รายละเอียดมันเยอะเลย ัพราก็เพียงแตเรียนรู้ไว้แต่ไม่เอาไปพูดญาติโดมก็มีประสบการณ์พระสนามใเรื่องของเขาก็คุยกันเองแต่ว่าเราสังเกตว่าตัณหาเนี่ยมันเกิดจากอายตนะภายในก็ได้ภายนอกก็ได้เกิดจะรู้เสียงรินรถปวพระอม า, มารมก็ได้เกิดจะตาหูจงเล็งกายใจก็ได้แล้วก็เกิดได้ก็ตั้งอยู่ที่นั้นนะ่ะมันก็กลายเป็นที่ตั้งของตัณหาแห่งกันและกัน แล้วตั้งแต่โลกมีมนุษย์มาเราจะเห็นว่าการด้วยยวนด้วยยุอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดกรรมติหาปวัตนาหาปิวันตนาในนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดที่ไหนหรอกเรื่องบันเรื่องเนี่ยกลายเป็นศึกสงครามกลายเป็นการเขียนฆ่าทำลายล้างกันกลายเป็นการแย่งชิงกันเพียงเพื่อตอบสนองตัณหาซึ่ง เกิดขึ้นในรูปเป็นต้นเหล่านั้นเราสังเกตว่าพงศาวดารจีนเนี่ยมีผู้หญิงหลายคนที่เข้าไปมีบทบาทชี้นําสังคมแล้วก็ก่อให้เกิดการต่อสู้เกิดการยอมเสียบติดในรูปเป็นต้นของบุคคลเหล่านั้นถูกไหมแต่เรื่องลามเกียนเนี่ยไหมฮะไปแย่งผู้หญิงคนเดียวรูปสวยคนเดียวนะฮะรูปสวยรูปสวยเสียงไปรอ้องกลิ่นหอมรสอร่อยสับปะรน่าจับต้อง ของนางสีดาคนเดียวก็ทามอปวนไปทั้งอโยธยาทั้งลงกากลตายกันไปเป็นนั้นมากแล้วถามมันเกิดขึ้นมาได้ไงเกิดขึ้นจากใจเราไปกำหนดเราไปประเมินค่าเราไปตีค่านะไปตีค่าเขามาแล้วถ้าเราดูจริงๆริมารูปมันสวยตรงไหนได้รูปสวยเนี่ยแล้วก็หาจริงๆก็ไม่เจอรูปสวยๆนี่ไม่เจอเลย แต่ว่าการมองเนี่ยเป็นการมองในแนวเขาเรียกรวบถือกับแยกถือแยกถือก็หมายความคนนี้สวยรถคันนี้สวยบ้านหลังนี้สวยรวบถือไปเลยทั้งหลังเลยมันจะละเลยจุดบกพร่องในบางจุดคือถ้าเรามองเห็นเปอร์เซนต์สมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเรามองเห็นดีสัก 70% เนต์เนีเอาสักหกเนี่ ย, นะยพอไหวนะแตเจ็ด80เแล้วในจุดบกพร่องต่างๆก็ละเลยไม่ใส่ใจได้ มันจึงต้องอาศัยการปรุงแต่งในการปรุงแต่งขึ้นมาแต่เราเองก็ต้องคิดปรุงปุงคิดคปรุงปุงคิดคิดปรุงปุคิดจนสวยไปเลยคล้ายๆกับนึกถึงภาพภาพที่พระอภัยมณีท่านไปหลงรูปนางลาเวงภาพวาดนะฮะอย่างนึกว่ามือสมัยนั้นวาดภาพสวยขนาดนั้นเฉลยทำไมมันสวยมากมายกายกองอย่างนั้นแต่เราเห็นว่า มันเป็นเรื่องจินตนาการเป็นปรุงขึ้นด้วยกระแสของตัณหาในความรู้สึกของท่านมันก็หยดย้อยนะฮะอย่าเยิ่มหรือเราฟังเพลงรือฟังกรอดรือฟังอะไรสมัยก่อนๆให้ลองสังเกตว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์ไม่เคยได้ใช้ความคิดแล้วเราก็รับถ่ายทอดกันมาถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆโดยเคยคิดหรือเปล่าว่ามันมันสวยจริงหรือเปล่าโลกอย่างนั้น อย่างในหนังสืออะไรล่ะมูนบทบรรพกิจเนี่ยมูลบทบรรพกิจที่เกี่ยวกับการแต่งกรอนแต่งอะไรต่ออะไรพวกยศส ก, กิตมูลบทบรรพกิจอะไรเนี่ยมันมีการพนาถึงวิธีแต่งแต่งกรอนอย่างหนึง่งแล้วก็พัฒนาความงามของผู้หญิงมานั่งคิดอต่นั่งคิดแต่เราก็อาจจะบวชมาตั้งแต่เป็นเนรเป็นพระมันก็คิดแบบมุมมองหนึ่ง พระเจ้างามพักเพียงจันทร์บุญหลันฉายนึกว่าเอรูปร่างหน้าตาเหมือนกับดวงจันไอ้มันสวยยังไงดวงจันทดวงจันทร์มันสวยเพราะมองไกลอนะฮะดวงจันทร์มันตะปุ่มตะปั่มนะฮะตะปุ่มตะปั่มไรลี่เรเกคาจอยูมาดูไม่ได้เลยนะถ้าใกล้ๆเนี่ยแต่มันเป็นธรรมชาติมันสวยแบบธรรมชาติมันเป็นสุนทรียภาพสุนทรียศาสตร์ของมันไอเนี่ยธรรมชาติแต่หน้าคนมันดวงจันทรเนี่ยมันนึกไม่ออกมันสวยยังไง จะงามพักเพียงจันร์บุราลฉายจะงามเนตรดังหนึ่งในตาสายเนตรเหมือนเนื้อสายตาเหมือนเนื้อสายเจ้าพวกฟังกันนะฮะที่จริงเนี่ยแต่ว่าถ้าตาคนเหมือนเนื้อสายเนี่มันมันจะสวยจริงเนี่ยเราก็นึกไม่ออกนะนึกไม่ออกงามขนงกล่งละไม้ขันสอนทรงคิ้วเหมือนกับขันสอนก็ยังนึกว่ามันแต่งเอาอะนะคิ้วมนุษย์เนี่ยมันโก่งแบบืขันสอนไม่ได้หรอก มันก็เป็นธรรมชาติแต่งหนังนอกจากโกนแล้วเขียนอน้าใหม่อย่างงามนาสายอนกนขอนะี่จมูกเหมือนขอนะี่ยังไงมันก็ไม่สวยลนะมองยังไงมันก็ไม่สวยจมูกเหมือนขอนะนึกดูพวกอะไรละพวกแถวตะวันออกกลางพวกอินเดียบางเผาเนี่ยนะจมูกขอจมูกงุ้มเลยมันสวยไนดะ้ยังไง จะงามโสดังคอสุพรรณหงษ์คอยาวมัอนก็คอผมษ์คอหานนะนึกถึงคอหารนี่กันเอ้ะคนคอเหมือนก็ัาหารเนนะี่ยจะงามกันดังตรี บ, บุตรสบงหูเหมือนกับดอกปัวนึกยังไงมันก็ไม่สวยอ่ยนะแต่แปลกว่าปุยญาติยาเราในถ่ายทอดหนังสือนี้มาจากฝรั่งมาจากแขกนะฮะถ่ายทอดมาได้แล้วถ้าไม่ดูมันสวยจริงเอยปะถ้าลองสเก็ตภาพดูหน่อยสิว่ารูปคนอย่างนี้มันสวยจริงเนะี่ย นั่นคืออะไรคือราคะโลภแล้วมันปรุงมาจากโมหะคือปรุงด้วยความหลงทำให้จิตใจของบุคคลลื่นไหลไปตามกระแสตรงนั้นบังครั้งบางคาวก็ยอมตายนะอย่างที่ตอนเล่าถึงนางสิริมาไอสิริ ม, มานะฮะเป็นนักละโศเพ น, นีอายุท่านก็มากแล้วนะตอนนั้นเพราะว่าตอนปลายพุทธสมัยนะท่านเป็นอุบาสิกา เป็นพระโอดาบันแล้วมีพระหนุม่มรูปหนึ่งได้ยินข่าวคราวความสวยงามของนางสิริมาเนี่ยท่านอุปทานเลยนะฮะปรุงรูปด้วยจินตนาการรูปนั้นรูปนางสิริมานั้นไม่ใช่รูปจริงแต่รูปจินตนาการฟางทั้งประสาสมทั้งปรจรินนาการทล้็วาดหวังเอาไว้สวยหรูเที่ยบ้านนางสิริมาเนี่ยก็ตั้งนิ จ, จพัดคือนิมนต์พระไปรับอาหาร วันหนสี่รูปแปดรูปอะไรแต่ไรเนี่ยพอดีตอนภิกษุเหล่านี้เป็นหัวหน้าไปเนี่ยภิกษุรูปเนี่ยเป็นหัวหน้าไปเนี่ยนางป่วยก่อนหน้านั้นสามวันแต่ว่าท่านเป็นประโสูตบันนะพลังจัตตาของท่านก็แรงพระมาท่านก็ออกไปตักบาตรแต่ว่าเดินไม่ไหวแล้วมันป่วยนะ่ะคนก็ประคองง้อแงงอแง ง, งไปคนป่วยนึกภาพคนป่วยมาสามสี่วันแล้ว ร่างกายจะสุดโรมขนาดไหนไม่จะป่วยเดือวนี้นะฮะป่วยป่วยสมัยโบราณเราจะเห็นว่าผอมแดงเลยเกิดผอมเร็วมากจะใส่พระท่านปรุงมาตั้งแต่ต้นนะ่ะทั้งยังสวยใช้ลอยู่นั่นเองในสุดก็วาดหวังมาตะเตลิดนะใจมันตะเตลิดเลยเป็นภาพลวงตาเฉยๆที่ท่านปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาไอ้กระแสตัณหาเนี่ยมันท่วมทับก็ไม่หน้ามืด แล้วกลาเป็นความรักที่ท่านสอนเอาไ ว, ว้ว่าความรักมันโรคาบันดานตายมืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคนใะดใดความรักมันโคลื่อกำลังคึกไปขังไว้ก็จะออกจากพอกไปไปยอมอยู่นะที่ขังพิสูรรูปนี้ก็เหมือนกันท่านตลอดเอาขนาดเนี้ยขนาดรูปสวยอย่างเดียวนะแต่ที่จริงก็ไม่สวยแล้วนะทั้งก็แก่แล้วแล้วก็ทั้งก็ป่วยด้วยกลับไปวัดก็ไม่ฉันข้าวฉันตาเลยนอนคลุมโปงเลย บาทก็อยู่เข้าแใช่ต้องได้นางสิริมาไม่ได้แล้วไม่ยอมตายแล้วเ อ, อเด็กหนุ่มสมัยนั้นก็แปลกนะฮะเจอเยอะจริงๆเลยแกประท้วงด้วยวิธีอดข้าวอ่ะต้องได้ถ้าไม่ได้แล้วอดข้าวให้ตายเลยคนพ่อแม่ก็โอบกันเป็นการใหญ่แต่พรมาอดข้าวประท้วงภายในวัดเนี่ยมันก็ต้องปล่อยไปตามธรรมดาอยู่มาสองสาวันเนี่ยนางสิริมาก็ตาย พิสูจน์นี้ไม่รู้หรอกคนก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าสรงทาบเพราะว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะนางสิมาตายแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยไปไปก้าวกายอะไรเรื่องงานศพเสพอะไรเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็ไปรับสั่งเลยว่าให้เก็บไว้แล้วก็ประกาศว่าใครต้องการศพนางศริมานะให้มาเอาจ่ายเงินปันก า, าปันะแล้วมารับไปลดราคาลงมาเลยจนให้เปล่านะฮะแต่กว่าจะให้เปล่าในศพมันขึ้นอื่นแล้วหลายวันแล้ว ก็ยังไม่มีใครต้องการพระเจ้าก็เลยประกาศว่ า, จ, า, า, า, าจะไปเยี่ยมนางศิริมาเพื่อเรีรรยกพิสุหมาหมดจะไปเยี่ยมนางศริมาด้วยกันพิสุรูปนั้นพอรู้ว่าจะไปเยี่ยมนางศิริมาท่านก็คิดอีกแบบหนึ่ง น, นะคือหมายความมาเจอผู้หญิงสวยอย่างนั้นอย่างนี้ในจินตนาการของท่านนะไปถึงก็ดศพนางศริมาก็ปล่อยไปอย่างนั้นนลยนะ จ้าพุเจ้าก็รับสั่งให้ดูถามมาเป็นใครเป็นศพใครตายกี่วันแล้ ว, ลวอะไรๆเพื่อสอนพระให้คิดนะะพุทเจ้ารู้หมดแล้วแต่ว่ามาันมาลําดับความกันใหม่สวยพระท่านในคิดตัวเนี้ยสวยใช้ลอย่างนางสิริมาเนี่ยแต่วนท้ายก็เป็นศพที่กําลังส่งกรีนเหม็นแล้วก็นอนก็ไหลออกมาจะส่วนต่างๆกับร่างกายน้ําเหลือง ก็ไหลออกมากระดูกกเดี่ยวก็ไอ้เป็นชายเนื้อหนังก็ถูกชะล้างลงมานะฮะแล้วในที่สุดก็ทรงสอนให้ดูว่าร่างกายเนี้ยเมื่อก่อนเนียเป็นที่พอใจปรารถนาของคนทั้งหลายในกรุงราชชลื้อเนี่ยใครต้องการเข้าไปอยู่กนางหนึ่งคืนเนี่ยต้องจ่ายถึงหนึ่งกาหาปณะไอ้หนึ่งพันกหาปณะ แต่ตายแล้วไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่ปรารถนาพอใจของคนทั้งหลายแม้จะให้เปล่านี่ยก็ยังไม่มีใครต้องการจากนั้นก็รับสั่งเป็นพาสิทธิ์ที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาการทําจิตได้สงบประนับในสังขารจะได้เนี่ยจะเป็นความสุขเห็นไหมว่าตรงเนี้ยที่จริงมันก็คือสืบเนื่องมาจากตัณหาเฉย ได้เป็นเอเรเกิดทุกข์ไปเพราะเราไปปรุงมาเนะี่ยไปปรุงว่าสวยก็สว ย, สวยแล้วก็พระไปรับบาต ท, ทุกวันทำไมคนอื่นไม่เดือดร้อนนะ่ะทำไมพระองค์นี้นเกิดเดือดร้อนขึ้นมาลนะ่ะนั่นคือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเราเราก็มีเวทนาตัณหาบาทานแล้วก็พบขึ้นภายในใจก็มีความรู้สึกได้รู้สึกมีรู้สึกเป็นเราต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้ไม่พี่ไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะไม่เป็นที่พอใจคนตน ถ้าเราไม่ปรุงก็เฉยๆคล้ายๆกับว่าคนที่ถูกปรุงให้ไปอะไรอ่ะอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งอร่อยที่จริงรพวกนั้นก็คือรสนะฮะแต่รสที่เราสังเกตว่ามันไม่ได้เป็นรสอย่างเดียวอาหารนะมันเป็นรูปด้วยนะะเป็นเสียงด้วยเสียงเวลาเวลารับประทานนะฮะและเป็นกลิ่นด้วยเป็นรูปเป็นรสเป็นเสียงเป็นกลิ่น เลยเป็นกามาคุณไปหมดเลยอาหารอาหารอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นกามาคุณไปหมดลแล้วในขณะเดียวกันก็ไปสร้างอุปาทานขึ้นมายความมาถ้าความอยากอย่างแรงเนี่ยมันจะรู้สึกอร่อยอย่างที่โบราณต้นเตือนเอาไว้ที่จริงก็สอนธรรมะนะเปรี้ยว่าท่านจะคิดเป็นธรรมะหรือไม่ก็ไม่รู้ท่านมองธรรมะก็คือธรรมะท่านบอกว่าจิตจืดกร่อยอร่อยเมื่อยากเห็นไหมถ้าตัณหามันมากแล้วเนี่ยความอยากกินมันมากแล้วเนี่ยอร่อยหมดเลย อาหารมันคืออะไรก็คือรูปคือเสียงคือกลิ่นคือรสแล้วก็คือสิ่งที่เราจับต้องเห็นไหมพวกเนี้ยโลกเราจึงเป็นโลกกรร ม, มาโลกหรือกรรมมาคุณเราอยู่ในกลุ่มของกรรมทั้งหลายมีความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีอยู่ในประคตุกรเหล่านั้นนั้นตัญหาพอเกิดก็เกิดบนเนี้ยเกิดเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมภะธรรมรงค์นะเกิดเสียงอย่างเดียวเนี่ย มือขนาดพระโพธิสัตว์นะมือขนาดพระโพธิสัตว์ในเจอเสียงอย่างเดียวในกําเนิดนกจูงในถูกจับได้ไปหลงเสียงนกยุงตัวเมียไร้มุษยออกจากหลังทุกวันเข า, เานกตัวเมียมานกจูงตัวเมียมาร้องลืมสาทยายพุทธหลงติดเสียงถูกจับได้เพราะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนะี่ย อย่างเมื่อก่อนที่เล่าเรื่องราชเกื้กูลานประเดีเวลามันหมดไปก่อนไม่จบราชเกมารเูลานลราเนี่ยผล ท, ท้ายเนี่ยพวกอัมมาทั้งสี่อัมมาทั้งห้าเนี่ย ค, คนหนึ่งก็ถูกล่อด้วยรูปสวยๆก็เสร็จคนหนึ่งถูกล่อด้วยเสียงไปเราะก็เสร็จคนหนึ่งถูกล่อด้วยกลิ่นหอมๆก็เสร็จคนหนึ่งถูกล่อด้วยรสอร่อยก็เสร็จคนหนึ่งถูกล่อด้วยสัมผัสที่น่าจับน่าต้องตายตายหมดทั้งคู่เลยตายหมดทั้งห้าคนนะฮะถูกฆ่าตายหมด เพรา ะ, ะนันพวกนี้เขาเรียกโลกกรมมิตรคือเหยื่อของโลกจะเป็นปลาจะเป็นหมูหมากาไก่อะไรใจก็ตามมามันรู้ล่อด้วยพวกเหล่านี้ทั้งนั้นแหละลองสังเกตดูเถลยลอ่อในรูปเสียงกยลิ่นรสผลิพภัณฑ์อะไรตามูจะมุ่ิเลี้ยใจเพราะเราเป็นโลกกันสัมผัสั้นทำอย่างไงท่านจึงสอนให้บางอย่างเนี่ยก็หลีกห น, นีเสียคือจะไปใกล้ใกล้มันคล้ายๆ ก, กับว่าตรงเนี้ยมลพิษมันเยอะ แล้วถ้าหากว่าเราไปอยู่ตรงนั้นภูมิต้านทานเราไม่พอเนี่ยเราก็ต้องติดเชื้อโรคก็หลีกหนีเสียอย่าไปบางอย่างเนี่ยไม่ดูซะบ้างไม่ฟังซะบ้างไม่พูดซะบ้างแต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะหมายความว่าถ้ามันจะเป็นปัญหาแล้วก็พูดไปมีปัญหาก็อย่าพูดเสียฟังไปมีปัญหาก็อย่าฟังเสีย แล้วก็ดูไปมีปัญหาก็อย่าดูแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาได้แต่ตามปกติแล้วเราจะโ อ, อนไหวตามกระแสที่เคยบอกไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะพ่ายแพ้ต่อ ก, กระแสเลยเห็น ว, ว่ากระแสเนี่ยกระแสซ้ำซากนะฮะซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วเราก็ลหลงไหลได้ปลื้มเหมือกับกระแสเหล่านี้เพราะฉั้น ปัญหามันก็ตั้งอยู่ภายในจิตตั้งอยู่ที่รูปสวยๆที่เสียงไพเราะที่กลิ่นหอมๆที่รสหน้ารอยที่สัมผัสน่าจับหน้าต้องและในสุดมันก็เกิดไปพวยปรารถนาจนถึงมีการแสวงหาแสวงหาถึ ง, ถงจุดหนึ่งก็ต้องได้มาเมื่อได้มาตัวครอบครองถืงอครองมันก็เพลินก็อยากได้ไปเรื่อย เย่าง เ, เนี้คนบางคนไม่น่าเชื่อนะบ้านมีรถเต็มไปหมดเลยถามทาไมมีมากามกกออยายใจกองเงี้ยรถมันก็ใช้ทีละคันทาไมจะต้องมีรถมากมายมันรู้สึกเป็นการเสริมอัตตาอัตตาคืออะไรก็คือตัวตนนะคือรูปเป็นรูปร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกมันเสริมอัตตาให้แสดงความยิ่งใหญ่หมีสถานะมีความมั่งคั่งร่ารวยะในที่สุดพวกเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับใครใช้ดังกล่าวคือเราใช้บวกก็ได้ใช้ลบก็ได้นะเพราะจริงจริงๆพวกนี้เขาเป็นกลางกลางนะรูปเสียงกินรสปุถะพระนี่เป็นกลางกางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ไ, ไม่ใช่ตาตาหูจมูกลิ้นกายนยฮะเป็นกลางกใจเนี่ยใจตัวมันเองก็เป็นกลางกลานะฮะแต่มันถูกปรุงด้วยกุศลบ้างด้วยกุศลบ้างด้วกลางกบ้างก็แล้วแต่ธรรมารมณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเองเป็นกลางกลางแต่มันถูกปรุงยังไง เราปรุกได้กิเลสมันก็เกิดกิเลสพรุงได้ธรรมะมันก็เกิดเป็นธรรมะปัญหาสําคัญในแนวการปฏิบัติเนี่ไม่จึงอยู่ที่เราคิดยังไงไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นเป็นอะไรแต่ที่ตัวยุ่งเนี่ยคือเราคิดไม่ทันนะ่ะเราคิดไม่ทันว่าสิ่งนั้นจริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันก็ถูกครอบงํา มันครอบครอบนําดยรูปสวยๆโดยเสียงไพเราะโ ด, ดยกลิ่นหอมๆโดยรสอร่อยโดยสัมผัสน่าจับต้องและทําให้ลืมทําให้ขาดสติเพราะฉะนั้นอารมณ์ใหญ่ในโลกที่ครอบนําชีวิตจิตใจคนชาวโลกโดยคืออารมณ์ยั่วยุก็ยั่วอารมณ์ยั่วยวนอารมณ์ยั่วยุมันก็คอยเกิดการมต น, นาเราะว่าตัณหาไม่ใช่อารมณ์ยั่วยวนเนี่ยกคอยเกิดการมนนารตนาเราะวะตัณหายมยั่วยุมันก็เกิดเป็นวิปวัตต์ตัณหาและในที่สุดทั้งสองเรื่องเนี่ย ก็นำเข้าไปสู่อุปาทานแล้วนำไปสู่ปัญหาอีกอันเด็กกันนั้นเท่างฟังทั้งไรายแต่รลวงปูโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไพบูณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี